เศรษฐกิจ7ปัญหาวาระ1ปัจจญานุโลม1วิพังขวาระเหตุปัจจัย42สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมพุทธตักขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเศขารุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคารูปคลและอเส well, ัะบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเศคารูปคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเศคารูปคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเศคารูปคลและที่ไม่เป็นของเศคารูปคลอเสัะบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเศคารูปคล เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศัยขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศัยขบุคคลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศัยขบุคคลและอเสัยขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศัขบุคคลและอเสัยขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นของเาศัยขบุคคลและอเสัยขบุคคล เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัย43สาสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเสขะบุคคลโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลที่เป็นของเสขะบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อม ด้วยจิตที่เป็นของเสคารุคนด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นของเสคารุคคลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศิขาบุคคลเป็นปัจ จ, าา จ, จัยแก่สภาวธร ร, ม, จจ ม, ธรทมที่ไม่เป็นของเสศขาบุคคลและอเสิขาบุคคลโดยอารมณปัจจัยได้แก่ พระอระหันต์พิจารณาผลที่เป็นของอศาศข้บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นของอเาเสข้บุคคลด้วยเจโตปริยญาณขันที่เป็นของอศาศข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอา ร, รมณะปัจจัยสี่สสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศาศขบุคคลและอเศข้บุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสคาบุคคลโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณาขุสล น, นั้นพิจารณากุสลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยพระอริย พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุปความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตหัตถิวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นของเสถ่าบุคคลและเสถ่าบุคคลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดี โทมนัจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตรู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นของเศษขับุคคลและอเสขับุคคลด้วยเจโตปริยญาณอาการสารนัญจา ย, ยตนะเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณัญจา ย, ยตนะอาคินจัญญายาตนะเป็นปัจจัยแห่เนวสัญญาณสัญญายาตนะโดยอารมณ์ปัจจัยรูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จกักรวิญญาณโหตภ พ, พายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่ไม่เป็นของเสคาบุคคลและอเสคาบุ ค, คลเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริย า, ยานปุเพนิวาสานุสติยานยะถากรรมูปักขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคาบุคคลและอเสคาบุคคล เป็นปัจจัย네แก่แสภาวธรร ม, มที่เป็นของเสขะบุคคลโดยอารมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลที่เป็นของเสขะบุคคลโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเศคาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเศคาบุคคลโดยอารมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสขารุคคลโดยอารมณ์ปัจจัย <Furthermore, S 2> <French> อธิปฏิปัจจัยสี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารูปคลโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นของเสขารูปคลเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารูปคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารูปคลและเสขารูปคล โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่พระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลที่เป็นของเศขะบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสขาุคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นของเศขารุคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลและที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเศิคารุคคลโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สมปภาวธรรมและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสี่สิบสภาวธรรมที่เป็นของอเสขคาุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสขคาุคคล โดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่ปธิปดีธรรมที่เป็นของอเศัข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยทิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นของอเศข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเาศข้บุคคลและอเสข้บุคคลโดยธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปฏิและสหชาตาธิปติอารมนาธิปฏิได้แก่ พระอาหารหันต์พิจารณาผลที่เป็นของอเศาศัยขบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหาชาตาธิปติได้แก่อาทิปฏิธรรมที่เป็นของอเศาศัยขบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอศาศัยขปุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเศาศัยขบุคคลและที่มิเป็นของเสศัยขปุคคลและอเสัยขปุคคลโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นของอาศข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมพชุตตะขันและจิตตสมุทรฐานรูปโดยทิปติปัจจัย 47. สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข้บุคคลและอาศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข้บุคคลและอาศข้บุคคลโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโ บ, บสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระอริยะพิจารณานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพานเป็นปัจจัยแก่โคลตระปูและวโวทานโดยอธิปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุใ ห, ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพื่อเพลินจากสุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพื่อเพลินโสตะหะทายวัตถุขันธ์ที่ไม่เป no ็นของเศคะบุคคลและอาศัยคาบุคคลให้เป็นอารมณ์อย um ่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพื่อเพลินโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่ อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตักขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏ u, ิปัจจ er ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทิปฏิได้แก่นิพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลที่เป็นของเสขารุคคลโดยอธิปฏิปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและเสชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออรมนาทิปติได้แก่นิพานเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเสชาบุคคลโดยอธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยสี่สิสภาวะธรรมที <gamma? S 1> ่เป็นของเสชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นของเสชะบุคคล โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งเกิดกลางก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเสขาบุคคลผลที่เป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเสขาบุคคลโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคล โดยอนันตระปัจจัยได้แก่มักเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอาศัยขบุคคลโดยอน uh. ันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสศัขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นของเสศัขบุคคลและอเสัยขบุคคลโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ผลที่เป็นของเสศัขบุคคลเป็นปัจจัยแก่วุฐานะโดยอนันตรปัจจัย49สภาวธรรม ท, ที่เป็นของอาศัยขบุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศัยข้บุคคลโดยนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของอเสขบุคคลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอาศัยขบุคคลซึ่งเกิดหลังๆโดยนันทระปัจจัยผลที่เป็นของอเศัข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเศัข้บุคคลโดยนันทระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศัข้บุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลโดยอนันตรัพปัจจัยได้แก่ผลที่เป็นของอาสชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตรัพปัจจัยห้าสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ ขนันที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอาศชะบุคคลซึ่งเกิดส่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอาศชะบุคคลซึ่งเกิดหลังหลังอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลโดยอนันตรัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลโดยอนันตระปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคววทานเป็นปัจจัยแก่มรรคอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมาบ <l ux> <l ux> ัตที่เป็นของเสขับุคคลในวาสัญญานาสัญญายตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พราสมาบัตที่เป็นของเสขบบุคคลโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลโดยอนันต ร, ร, ระปัจจัยได้แก่อนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระาสมาบัติที่เป็นของอเสขาบุคคลเนวัสัญญาณัญญายตนะกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระาสมาบัติที่เป็นของเสขาบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสมณันตรปัจจัย สอสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคลเป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคลโดยสมณันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยมีแดวาระสาชาตปัจจัยเป็นต้น5้าสบสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสคารุคนโดยสาชาต์ hmm ปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตะปัใจจัยในปฏิจจาระมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอัญญมัญญปัใจจัยในปฏิจจาระมีสามวาระนิสยะปัจจัยเหมือนกับนิสยะปัใจจัยในขุชนัตกะมีสิบสามวาระอุปนิสยะปัจจัยห้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นของเสขาุคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกขปุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างเคลนตะรูปานิสยและปะกะตูปานิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่ปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยมักโดยอุปาณิสยปัจจัยทุติยมักเป็นปัจจัยแก่ตติยมักโดยอุปาณิสยปัจจัยตัตยมักเป็นปัจจัยแก่เจตุธมักโดยอุปาณิสยาปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัต ที่เป็นของเสกขบุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศะขบุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างเพอรนันตารูปานิสยาและปะกระตูปนิสยาปะกรตูปานิสยได้แก่มักเป็นปัจจัยแก่ภารสมาบัติที่เป็นของอสะขบุคคลโดยอุปณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคล เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสคะบุคคลโดยอุปานินสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรามาโนปานิสิยอันันตารูปานิสิยาและปะกะตูปานิสิยาปะกะตูปานิสิยาได้แก่พระอริยะอาศัยมากแล้วทำกุศลสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากุศลสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง มรรของพระอริยะเป็นปัจจัยแก่อัตตปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาปฏิพาณปฏิสัมพิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยอุปาณิสยปัจจัยภะสมาบัตะที่เป็นของเาศขะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยห้าสิสภาวธรรมท i, ela, ี่เป็นของอาศัยขับุคคลเป็นปัจจัยแก <clears S 1> <coffin famous. S 2> ่สภาวธรรมที <recht> ่เป็นของอาศัยขะบุคคล โดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวเพออนันตรูปานิสยาได้แก่คันที่เป็นของเาศัยขบุคคลซึ่งเกิดคนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นของอาศขบุคคลซึ่งเกิดหลังๆผลที่เป็นของอาศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเาศขบุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นของอาศขับุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเาศขบุคคลและอเศขบุคคล โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอันันตรูปาณิสยะและปะกะตูปาณิสยะปะกะตูปาณิสยะได้แก่พระราตมาบัตที่เป็นของอาศขับุคคลเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปาณิสยาปัจจัยห้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขบุคคลและอเศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขับุคคลและอเศขบุคคล โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปานิสยอันันตารูปานิสยะและปะกาตูปนิสยะปะกาตูปานิ ส, ย ะ, ะะนสยะได้แก่บุคคลศัยใสศรัทธาที่ไม่เป็นของเศขาบุคคลและอเสิคบุคคลแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสดทมฌ า, านวิปัสนาอภิญยาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมาณะถือทิฐิ อาศัยศีที่ไม่เป็นของเศคะบุคคลและเสคะบุคคลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายอูตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานสมาทานศีลทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาที่ไม่เป็นของเศคะบุคคลและเสคะบุคคลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายเสนาสนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นของเสกะบุคคลและอเสศะบุคคลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็น э ปัจจัยแกป่ปฐมฌานโดยอุปาณิสยป <IZ> <mel> ัจจัยบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแข็เนวสัญญานาสัญญายตนะปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปาณิสยปัจจัย อาคินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณสัญญายตนะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปัณิสยอนันตารูปัณิสยาและปะกะตูปัณิสยาปะกะตูปัณิสยได้แก่บริการปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ปฐมมัก โดยปณิสยปัจจัยบริกรรมเจตุธรรมะเป็นปัจจัยแก่เจตุธรรมะโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เ <percent> ป <Elo an> <c ientes S 1> ็นของเสขะบุคคลและอาศัยบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสขะบุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยอนันตรูปนิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปนิสยาได้แก่สุขทางกายทุกข์ทางกายอูตุโภชนะ เสนาสนะเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่เป็นของเสขบุคคลโดยอุปนณิสยปัจจัยภูเรชาตปัจจัยห้าสิบกสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและเสขบุคคล เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกขับุคคลและเสกขับุคคลโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพลิดเพลินเพราะปรากฏความยินดีเพลิดเพลินจากสูนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนาจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตตาอัทายวัตถุ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขลุฟังเสียงด้วยที่ประโสงคธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขลุวิญญาณโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแกะยะ่กายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักกายญตนะเป็นปัจจัยแก่จักขลุวิญญาณกายายญาตนะเป็นปัจจัยแกะยะ่กายวิญญาณ หทายวัถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นของเสชะบุคคลโดยปุเรชาติปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศะบุคคลและอเสัะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสัะบุคคลโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่พาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นของอเสัะบุคคลโดยปุเรชาตะปัจจัยปัจจาชาตะปัจจัยห้าสิบเจดสภาวธรรมที่เป็นของเาศัยบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศัขบุคคล และอเสขบุคคลโดยปัจฉาชาติปัจ <c palace> จั <c controlled language> <ผ>ยได้แก่คันที่เป็นของเาศัยขบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศัยขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศัยขบุคคลและอเศขบุคคลโดยปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่คันที่เป็นของอาศัยขบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อน โดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคะบุคคลและเศคะบุคคลเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคะบุคคลและเศคะบุคคลโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเศคะบุคคลและเศคะบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจใจแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอาเซวนาปัจใจห้าสิบแปด สภาวธรรมที่มีเป็นของเสขาบุคคลและอาศชบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลโดยอาสวณัปัจจัยได้แก่คันที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศขาบุคคลซึ่งเกิดข้ก่อนเป็นปัจจัยแก่คันที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณัปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทาน โดยอาเสวณหปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอาศัยคาุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลโดยอาเสวณหปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวณหปัจจัยกรรมปัจจัยห้าสิ้าสภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคล โดยกัมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสขาบุคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรมมปัจจัยนานาคณนกกะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสขาบุคนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสขาุคลโดยกัมมปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคเนกะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเศิขาบุคคลโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขาบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียว เพสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรมมปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นของเศขารุคคลและที่ไม่เป็นของเสขารุคคลอาศขยคุคคลโดยกรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นของอาศข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่ 60. สภาวธรรมที่เป็นของอาศข้บุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอาศข้บุคคลเป็นปัจจัยแก่ส <im> ัมปยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศข้บุคคลและอาศข้บุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเาศข้บุคคล เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศขบุคคลและที่ไม <t Ay damn bullshit> A, ่เป็นของเาศขะบุคคลอเศขบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอเศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่แสงปรยุติฐานและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย6กสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขบุคคลและอเศขบุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศสขะบุคคลและเศสขะบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณาิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นของเศสขะบุคคลและเศสขะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติฐานและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณนะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นของเศสขะบุคคลและอเศสขะบุคคล เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นของเฉขบุคคลอเฉขบุคคลและกะตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัย62สภาวธรรมที่เป็นของเฉขบุคคล เ, เ, เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเฉขบุคคลโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งเป็นของเฉขบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันสาม บทที่มีสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นของอเศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเศขะบุคคลโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของอเศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามบทที่มีสภาวธรรมที่เป็นของอเศขะบุคคลเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาุคคลและอเสขาุคคน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเศขะบุคคลโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นของเสขะบุคคลและอาศขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันสามในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตุโดยวิปากะปัจจัยอาหารลปัจจัยเป็นต้นหกสิบสาสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคล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 คือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คั น, 是是น like er ท, ที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนิทิเกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเศขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคล โดยวิปยุตตาปัจจัยมีสองอย่างเพอสหาชาตะและปัจฉาชาตะเหมือนกับสภาวะที่เป็นของเสขารุคคลสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเศขคาุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเศขารุคคลและอาาเศขคาุคคลโดยวิปยุตตาปัจจัยมีสามอย่างเพอสหาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและเศคะบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทานรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสคะบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยวิปยุตตะปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หาเทววัตถุโดยวิปยุตตะปัจจัยหาเทววัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายาตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยจแก่ขันที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเสัะบุคคลค ond, โดยวิบยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเศัยคาุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเศัยคาุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสขะบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลและอเศขะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสขะบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุ เป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นของอาศขาบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย65สภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นของเาขบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันสามสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศขบุคคล โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสะชาตะและปัจฉาชาตะสะชาตะได้แก่คันที blo, right. ่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตแตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคล และที่ไม่เป็นของเสเคบุคคลอเสเบุคคลโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นของเสเคบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นของเอเสเคบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสเคบุคคนโดยอธิปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเเสเคบุคคลหกสิบหก สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขบุคคลโดยอธิปัจจัยจมีหอย่างคือชาช า, ชาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ขันสองในปฏิสนธิขณะขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยอธิปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกสําหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้น โมนาจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะหะทะเยวัตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ประจักขูฟังเสียงด้วยที่ประโสตาธาตุรูปายตนะเป็นปัจเจกแก่จักขูวิญญาณโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณกายายตนะเป็นปัจเจกแก่กายวิญญาณหะทยวัตุเป็นปัจเจกแก่ขัน ที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเศชะบุคคลโดยอธิปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเศชาบุคคลเป็นปัจัจแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจัยเกาเลิงกราหารเป็นปัจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจัยรูปปัจฉิวตินสีเป็นปัจัยแก่กตัตารูปโดยอธิปัจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเศชะบุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแกข่ขันธ์ที่เป็นของเสขาบุคคลโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาสขาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นของอเขสขบุคคลโดยอธิปัจจัยหกสิบเสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอเสขบุคคลเป็นปัจ vaz, ปปจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นของเ euh สขาบุคคลและทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัย ขันสองสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลและที่ไม่เป็นของเสขารุคคลอเสขารุคคลเป็นปัใจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเส er ขารุคคลโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉ ja าชาตะมหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นของเสขารุคคลและมหาภูตรูปเป็นปัใจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ปัจฉชาตะได te ้แก่คันที่เป็นของเศขารุคคลและโวลิมการหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่คันที่เป็นของเศขบุคคลและรูปปัจฉิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศขบุคคลและที่ไม่เป็นของเศขารุคคลนเศขารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเศขารุคคลโดยอธิปัจจัย เพิ่มเพิ่มสองวาระเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของใจขับุคคล 1. ปัจจญานุโลม 2. สังคยาวาระ68เหตุปัจจัยมีเจวาระอรมาณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมี8ดวาระสมณันตรปัจจัยมี8วาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระ อัญัญญะปัจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมี13าวาระอุปนิสยปัจจัยมี8ดวาระปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสวาระอาเศวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมี8วาระวิปากปัจจัยมีเจดวาระมหาราปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระ มัคคัปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีสิบสาวาระนัติปัจจัยมีแปดวาระอวิคตปัจจัยมีสิบสาวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัญญายุทธาระหกสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคล เป็นปัจจัยแก่ g. สภาวธรรมที่เป็นของเสชาบุคคลโดย nah ชาตะปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสชาบุคคลโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสชาบุคคลโดยอรมณปัจจัยชาตะปัจจัยอุปนิสัยปัจจัย และปัจฉาชาตะปัจจัย <BE> ううสภาวธรรมที่เป็นของเศคารุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลและที่ไม่เป็นของเศคารุคคลอเศขยคุคคลโดยชาชาติปัจจัยเจดสิสภาวธรรมที่เป็นของอาศขคาุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศขคาุคคลโดยชาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศขคาุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศเข้บุคคลและอาศะเข้าบุคคลโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศเข้าบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอศเข้าบุคคลและที่ไม่เป็นของเาศะขบุคคลอศเข้าบุคคลโดยสหชาตะปัจจัย71สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศะข้บุคคลและอาศะเข้าบุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคะบุคคลและอเศิคบุคคลโดยเรมณปัจจัยสะชาตะปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาตาปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยกรรมะปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทรียะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคาบุคคลและอเสิคาุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสคะบุคคล โดยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเศชาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเศชาบุคคลโดยอุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัย 72. สภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลอเศชะบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลมี2อย่าง เพือชาชาตะและปูเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นของเศคะบุคคลและที่ไม่เป็นของเศคารุคคลาศัยคาบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศคารุคคลและอาศัะบุคคลมีสี่อย่างเพือชาชาตะปัจจาชาตะอาหาระและอินทรียะสภาวธรรมที่เป็นของอาศัะบุคคลและที่ไม่เป็นของเาศัยคุคคลอเศัยคุคคล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศข้บุคคลมี2อย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นของอาศข้บุคคลและที่ไม่เป็นของเศาศข้บุคคลอเศขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศาศข้บุคคลและอเศข้บุคคลมี4อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทรีย์สอปัจจยปัจจญยะ สสังคยาวาระ73็ณเหตุปัจจัยมี14วาระณอารมณปัจจัยมี14วาระณอธิปติปัจจัยมี14วาระณอันันตรปัจจัยมี14วาระณสมณันตรปัจจัยมี14วาระณสหชาตปัจจัยมีสิวาระณนิสยปัจจัยมี10วาระณอุปนิสยปัจจัยมี13วาระณปุเรชาตปัจจัยมีสิสองวาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบสวาระณเอาศวณปัจจัยมีสิบสวาระนกรรมปัจจัยมีสิบสวาระนวิปากปัจจัยมีสิบสองวาระณอาหารปัจจัยมีสิบสี่วาระณอินทริยปัจจัยมีสิบสวาระนชานะปัจจัยมีสิบสวาระนมัคคะปัจจัยมีสิบสวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีสิบวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีแปดวาระ โนอัติปัจจัยมีแปดวาระโนนัิปัจจัยมีสิบสี่วาระโนวิคตะปัจจัยมีสิบสี่วาระโนอวิคตะปัจจัยมีแปดวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจียะจบสปัจจญานุโลมะปัจจียะเหตุทุกขในเจ็ดสิบสี่ณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจัยละถึงมีเจ็ดวาระ ณอนันตระปัจจัยมีเจดวาระณสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระณอาสวณปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยขเภตุปัจจัยมีสี่วาระ ณอาหารปัจจัยละถึงมีเจดวาระณอินทริย์ปัจจัยมีเจดวาระนชานะปัจจัยมีเจดวาระนมัคคะปัจจัยมีเจดวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนาธิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบ 4. ปัจญยะปัจญิยานุโลม นะเหตุทุกขในเจ็ดสาปรมณะปัจจใจคำนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมี9้าวาระอนันตระปัจจัยมีแปดวาระสมนันตระปัจจัยมีแปดวาระสหชาติปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบาวาระอุปนิสยปัจจัยมีแปดวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ ป e ัจฉาชาติปัจจัยมีสมวาระอสิวะนาปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมี8ดวาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระมหาราปัจจัยละถึงมีเจดวาระเอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระ อธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีแปดวาระวิคตะปัจจัยมีแปดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยานุโลมจบปัญหาวาระจบเศรติกะจบ